ตอนช่วยเหลือทั่วหน้ามีขุนนางท่านหนึ่งแซ่อิ่งเมื่อตอนที่ท่านอยู่ในวัยกลางคนได้เป็นซิ่วชายแต่ยังไม่ได้เป็นขุนนางจึงไปนั่งท่องตำราที่ชายเขาแห่งหนึ่งซึ่งปลอดจากผู้คนมารบกวนมีเสียงปีศาจ ร, ร้องกันระงมชุมนุมกันอยู่ในบริเวณนั้นท่านแซ่อิงก็ไม่กลัว ยูมาคืนหนึ่งท่านได้ยินเสียงปิศาจคุยกันว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งสามีเดินทางไปหากินยังแดนไกลนานแล้วไม่กลับมาพ่อผัวแม่ผัวก็เลยบังคับให้แต่งงานเสียใหม่ผู้หญิงไม่ยอมจะมาแขวนคอตายบริเวณ น, นี้ในคืนพรุ่งนี้ปิศาจตนหนึ่งซึ่งก็ผูกคอตายมาเหมือนกันเมื่อมีคนมาแทนก็จกได้ไปเกิดใหม่เสียที ท่านแซอิงได้ยินเข้าก็บังเกิดความเห็นใจผู้หญิงคนนี้ขึ้นมาจับใจจึงนําที่นาของตนไปขายอย่างเงียบเงียบได้เงินมาสี่ตำลึงเขียนจดหมายขึ้นฉบับหนึ่งแล้วส่งไปยังบ้านของแม่ผัวพ่อผัวของผู้หญิงคนนั้นพ่อแม่เห็นจดหมายก็รู้ว่าไม่ใช่รายมือของบุตรตนพากันสงสัยแต่แล้วก็ลงความเห็นกันว่าจดหมายนั้นอาจจะปลอมกันได้แต่เงินนั้น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 ท่านแทอิงก็ได้ยินปีศาจพูดอีกว่าฉันน่ะจะมีคนตายแทนแล้วเชียวนะแต่ซิ่วชายนี่ทำเสียเรื่องหมดปีศาจอีกตนหนึ่งก็พูดขึ้นว่างั้นเราก็ช่วยกันฆ่าเสถะปีศาจ ต, ตนแรกบอกว่าไม่ได้หรอกเพราะเทพเจ้าเบื้องบนเห็นเขาเป็นคนใจดีได้แต่งตั้งให้เขาเป็นขุนนางในยมโลกใครก็ทาร้ายเขาไม่ได้เสียแล้ว ท่านแซ่อิงได้ฟังเช่นนั้นก็ยิ่งมีกำลังใจที่จะทำดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นยามเกิดทุกภิกภัยก็นำข้าวและอาหารไปแจกจ่ายแก่ผู้อดอยากยามเมื่อยากมิดเดือดร้อนก็ช่วยเหลืออย่างเต็มความสามารถยามประสบภัยพิบัติก็ไม่เคยโทษฟ้าโทษ ด, ดินกับโทษตนเองว่าได้ก่ออากรศลกรรมมาจึงยอมรับสถานการณ์อันเลวร้ายได้อย่างสงบ เมื่อได้เป็นขุนนางแล้วลูกหลานก็ยังได้เป็นขุนนางอีกมากมาย